1. เรียนเพื่อให้รู้จักทางสายกลางวงเล็บเปิด10มีนาคม2551ในวงเล็บสองวงเล็บปิดมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยต้องเรียนอย่างน้อยสัก3ามวันลืมของเก่าไปแล้วก็หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะสักสองวันสามวันมันจะแม่นพอจาสภาวะได้แม่นแล้วเราจะเริญนสติได้แล้วทำวิปัสสนาได้ถ้าไม่เห็นสภาวะทำไม่ได้จริงหรอก ถ้าไม่เห็นสภาวะแล้วจะเห็นไตรลักษ์ได้อย่างไรเพราะไตรลักษ์มันแนบอยู่ที่ตัวสภาวะฉะนั้นอย่างความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นทําไมเรารู้ว่านี่ความโกรธเพราะเราจําได้ว่าสภาวะของความโกรธลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าวิเศษลักษณะของความโกรธเป็นอย่างนี้ความโกรธมันมีสภาวะเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นเลยความโกรธไม่โผล่ขึ้นมาพอเราเห็นตัวความโกรธโผล่ขึ้นมาได้เราจะเห็นไตรลักษณ์ ความโกรธนี้เมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีตอนนี้มีอีกสักประเดี๋ยวหนึ่งไม่มีอีกแล้วสิ่งซึ่งเคยมีแล้วไม่มีสิ่งซึ่งไม่มีแล้วเกิดมีขึ้นมานี่เรียกว่าไม่เที่ยงนะเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับจะเห็นไตรลักษณ์ได้หรือมันจะเกิดมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไม่ใช่เกิดเพราะอยากให้เกิดไม่ใช่ดับเพราะเราอยากให้ดับนี่เรียกว่าอนัตตานะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความอดทนนิดหนึ่ง ค่อยๆฟังทุกวันนี้พวกเราได้รับข้อมูลได้รับธรรมะซึ่งมันคลาดเคลื่อนเต็มไปหมดเลยในใจของเรานี้เก็บเอาธรรมะที่เพียเพ้ยนๆเอาไว้เต็มไปหมดเลยจนเราแยกแยะไม่ออกนะเพราะฉะนั้นต้องลืมของเก่าๆเสีย ก, ก่อนแล้วก็มาศึกษาดูถ้าศึกษาจนเห็นตัวสภาวะแล้วจะเห็นไตรลักษณ์เราจะรู้แล้วว่าวิปัสสนาจริงๆเป็นอย่างไรวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่การเพ่งไม่ใช่การบังคับไม่ใช่การคิดเอานะ การเที่ยวคิดเอาก็คือฟุ้งซ่านไปการเที่ยวบังคับตัวเองเขาเรียกอัตตะกิลมถานุโยกการทำตนให้ลำบากคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามสิ่งที่ท่านสอนคือทางสายกลางทางสายกลางที่ไม่หลงไปแล้วก็ไม่บังคับเอาไว้ไม่ตามกิเลสไปแล้วก็ไม่กดข่มตัวเองทางสายกลางนี่คือการรู้ฉะนั้นต้องค่อยๆเรียนจนรู้เป็นรู้อะไรรู้สภาวะคือรูปธรรมนามธรรมาระหว่างที่รู้ จิตต้องไม่ถลำลงไปรู้จิตตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิถึงจะเกิดปัญญา